เวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยเป็นเป็นความชอบอย่างยิ่งอยู่โดยชอบอย่างยิ่งฟิกสูต่างหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรััน้นอยู่ที่ลุ่มก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ดอนก็ดีอยู่ที่ป่าก็ดีอยู่ที่เมืองก็ดีมันมีความชอบอยู่ในชีวิตเราการอยู่โดยชอบก็มีสติสัมปชัญญะ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 กออครนอนพอนอนเลยอะไรมันลูกยัดลูกใต้เสือเนี่ยก็ไหลลูกขึ้นนั่งมันก็ออกไปนอกเสือใต้เสือมังเราไปเป็นงูตัวนึงมันตกคนคงตกใจมากก็ชูขอขึ้นมองหาเห็นลงตาก็แลบลื่นใจเราก็ดูมันโอ้ขอภัยนะ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 ไม่มีอะไรขวางกัน น, ะนี่แหละเรามักมักคือดูไม่ใช่ไปท่องจำสมาทิฏิสมมากรร ม, มันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสมาอะไรสติสัมมาสมาธิไปโน้นอันนั้นนเป็นภาษาถ้าจะพูดเราเห็นถูกเห็นถูกคือเห็นสุขเห็นทุกข์ไม่ใช่เข้าไปเป็นว่าเห็นถูก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 สุขรู้แล้วทุกรู้แล้วหลงรู้แล้วโกรธรู้แล้วเจ็บปวดรู้แล้วปวดรู้แล้วเมืนไปพูดที่เราหวหัว่าพระองคกดเข้ารู้แล้วกอดเนื้อนในตับอ่อนมันปวดปวดท้องหาสมุฐานในเหตุที่มันปวดหมอหาไอ้เพราว่าสายเอ็กซ์เรย์ซีซีไม่เจน ไปเห็นก่อนเน่อนตะบอลมันก็ต้องปวดเห็นมันปวดตามันปวดรู้แล้วก็จบไม่ใช่ไปโอ้ยโอ้ยวดป่ช่วยด้วยไม่ไม่ไปถึงอย่างนั้นรู้แล้วถ้าจะมีการออกเสกียงจังอืมรู้แล้วมันปวดมากอือแล้ ว, ว่าอือคือวิปัสสนา วิปัสนาถึงบางอ้ออะไรก็อืมเจ้า ก, ก็อืมเจ้า ก, ก็ออันเดียวคือเห็นลถลดเดี่ยวพระธรรมคือลดเดียวสุล ท, ทุกวันสองรถแล้วพระอืมอืมเจ้า ก, ก็อึมเห็นวันทุ ก, กอึมอันเดียวเท่านั้นสพรวะถังสงารสโสขินาติลถพระธรรม ด, ด้อมจะลถทั้งปวงมีรถเดี่ยวแต่รถของโลกมีหลายลด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 เพราะนนจึงปฏิบัติเป็นปัจจ ต, ตังไวคิทพาภูเวโยหิ ต, ตน้องตาเคยไปสวดให้คนป่วยหวังมันไม่ไม่รู้อะไรกูก็ไม่รู้อะไรมันดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปจมกูกหยิกขึ้นใบหูแข็งขึ้นหน้าซีขึ้นไม่หย่อนลงจะหน่อยแสดงว่ามันตึงไม่รู้สึกตัว เลียว ก, ก็มาโล่จับมือก็ไม่โล่ไห้โลกมาจับมือก็เดยสวดตีเกาะจนการคิดเอาก็ดิ่งทองเหลืองไปตีพอุดังตะระนางกัจามีเรียกเกินหน้าให้ละพระเจ้าอาศัยพระเจ้าเจ้าพระเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องควงมเลยสวดช่วยกันเฮะเคยไปทําอยู่ที่นิวยอร์ก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 สวดพระสูตรแล้วก็พระสูตรอีกพระสุตรหนึ่งก็ตีลาาักขณการถาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทางปวงไม่เที่ยงสวดไปแปล่ปแล้วก็แปลแปลให้เขาฟังเขาก็ชอบนบะองมหาโยนเขาจะมีอามิโตโพพภะพุทธเจ้าอมิตตพุทธเข้าให้ถึงอมิตตพุทธให้ได้ อมีเครืใใ ble, อ่องเสียงเด็กๆเท่าหัวแม่เหมติดกระเป๋าเวลาขับรถเขาจะดินอามิตโทอามิตโทอามิตโททำงานก็อามิตโทอามิตโทปุตีแล้วครั้งทำวัดตอนเช้าอโตปุอามิตโทอามิตโทอามิตโทอามิตโทปุจนเสียงแล้วคังแล้วคังจบลง่อนนั่งอยู่อู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 เพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทอมนามทอมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์นยากก็เกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไป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 จะมีปัญญาลักลั่นให้กันก็บม่ได้ต้องเป็นสมบัติของขวัยของมนันต้องทําเอานี่คืออารียทรัพย์ภายในชีวิตของเราวันจึงจําเป็นต้องมีจิตกรรมอย่างนี้มาฝึกตนสอนตนอย่างนี้คิดสวดกันดูพระพุทธเจ้าท้าทายหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนน่ยมันไม่มากขนาดนั้น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 ไม่ใช่ไปรูปคำเนี่ยรูปไยเอาตามไปเหมือนที่เช่นวางรองมีเช่นลูลปตอแล้วแบบนี้ใชไ่ได้เลยเครียดไปเลยง่วงไปเลยมันรูปอย่างนี้รูปอย่างนี้สมัตานี้เกิดก่อนพระพุทธไม่ปรัชนานานเป็นหลายพันปี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 ยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดไม่เอภัยไม่เป็นไรช่างหัวมันอาจารย์พุทธาตบอกยาอายุธนะมีอยู่สี่ลากไม่เป็นไรช่างหัวมันเป็นเช่นนั่นเองในตัวหลอกกอื่นบ้างใช่แบบนี้บางอะไรก็เรื่องกับเราไม่เป็นไร